สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปมันเหมือนไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไปเธอทำไม่ฉันตายใจเธอทำไม่ฉันไว้ใจกับเธอแค่ไหน ก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉันสุดท้ายคือต้องยอมปล่ยปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธออยู่ทั้งใจ มันเจ็บจนต้องร้องทายเพราะหัวใจแบกรับไม่ไหวสิ่งเดียวที่รับรู้ได้คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่อยฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ ไม่เป็นไรถ้าที่ฉันทำเธอจะมองข้ามไปหากหัวใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยื้อเธอไวฉันจะยอมปล่อยเธอไปหรือเห็นแค่ฉันเป็นทาง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 I'm s มันก็เหมือนคนโนคนหนึ่งที่ให้เธอลอง เ, เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรักเลยยอมเธอทุกอย่างแต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำเธ อ, อกับนอกข้ามไปเขานั้นดีกว่าทุกงฉันทำผิดพลา